บันทกี่สการปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของผู้หูชนตัวอย่างข้อความในพระบาลีที่แสดงถึงหลักการปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของผู้หูชนและเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกนอกจากที่อ้างไว้ในตัวบทข้างต้นแล้วยังมีอีกมากหลายแห่งขอยกมาอ้างเพิ่มเติมอีกเช่น การส่งพราษา voke ออกประกาศศาสนาก็เพื่อวัตถุประสงนี้พระสุคตและสุกตะวินัยดำรงอยู่ในโลกก็เพื่อประโยชน์นี้การที่ส่งแนะนำให้เล่าเรียนและปฏิบัติธรรมหรือสังขยนาธรรมก็เพื่อให้พรหมจันท ร, ร์คือหลักพศาสนาดำรงอยู่ยั่งยืนนานจะได้เกิดประโยชน์สุขแก่ปหูชนเอื้ออนุเคราะห์แก่ชาวโลก ตรัดย้ำเรื่องความสามัคคีของสงฆ์ตรัดเตือนให้ระวังไม่ให้เกิดสังฆเพทการวิวาทการสั่งสอนธรร ม, มวินัยผิดพลาดและความเป็นผู้นำที่มีความเห็นผิดเป็นต้นก็เพราะคำนึงถึงประโยชน์สุขของพหูชนความหมายและหลักการสำคัญของการปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของชนจำนวนมากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกก็คือ การประดิษฐานผู้ผูชนไว้ในอริยญยาณยธรรมอันได้แก่ความมีกันละยานธรรมความมีกุศลธรรม